ดอยท ร, รมาใจดีดาวเกลื่อนฟ้าราตรีวันแรมสิบสี่ทนันนาน ๆ, ๆคืนของวันที่ส5บห้าเดือนพฤษภาสองสี่เก้าสามเวลาห้าทุ่มตรงพิกสดนมอง ซึ่งน้มในธรรมภาวนามไม่ยาปัญญานำบรรลุธรรมได้ดังประสงค์จอมวัดตาจักอวิชชาดับแตกแหลกลงสมมุติหลุดหายปลดปลมร่วงละลายไปจากดวงมาเดือนข้างแรมมืดมัวทั่วป่า วันทำที่กรองใจสว่างสวายเย็นสร่อผู้อัศจรรย์หาได้จะกเทียเปรียบปานพระพุทธเจ้าประธานเนิ่นนานไม่แปรพันไปพิกสด น, นุ่มองนั้นกราบแล้วกราบเล่ากราบพระพุทธเจ้า พระธรรมพระทรงหมายไไม่พอไม่อิ่มลอมน้ำตาซึมปริ่มซึ้งใจคือนายมกคนยิ่งใหญ่อ้ใช่ใครคือท่านหลวง แรมมืดมัวทั่วไปสวนธรรมที่กรองใจเวาอ่างสวายาเย็นส่านอ้อัศจรรย์หาได้จากเทียเปรียปาพระพุทธเจ้าประธ า, านเนินนานไม่แปร่พันไปอีสดหนุ่มองนั้นกราบแล้วกราบลาวงกราบพระพทธ ทรพระทรงไม่ไ ห, หวไม่พอไม่อิ่มรอมน้าตาซึมเปรียมซสื่ใจคือได้มาคนยิ่งใหญ่โอ้ใช่ใครคือท่านหลวงตา